น้ำลงพ่อแมวอาจารย์มั่นทันเทศนี่แห่น้ำไหลไปสว่างเลยนะไหลแล้วไม่ใช่ไหลธรรมดาเหมือนน้าลงไหลลงช่องเดียวพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งอย่างเนี้นั่นแหละพลังของธรรมท่านคือท่านอำนาจแห่งความเมตตาสงสารอยากให้รู้อยากให้เห็น ประหนึ่งเป็นการท้าทายในตัวว่านี่หน้านี่นั่นะนะเห็นไหมนี่หน้านี่นั่ น, ะนนะเหมือนอย่างนั้ น, นลกักษณะเพราะงั้นมันถึงได้แผดเอานักหนาเวลาเต็มเต็มเหนียวโหแผดยริงนะขึ้นถึงขั้นธรทม่ขั้นปัญญาละเอียดเข้าไปแล้วโอ้โหเสียงท่านกังวานจะด้วยนะไม่ใช่เสียงธรรมด า, าเสียงกังวานนังล่นาเลย ท่านอยากให้รู้ให้เห็นหลวงปู่แหวนก็เหมือนกันนะที่เราไปถามปัญหาท่านเปี่ยงเบี่ยงออกมาเลยนะนะเหมือนลน้ําอยู่ในถังที่ปิดเอาไว้น้ําที่สะอาดที่สุดปิดถังไว้ไม่สมควรที่จะชะเอาไปช้าล้างสินใดละ่ะไม่เหมาะสมที่จะไปชะไปล้างก็ต้องเจ็บไว้อย่างนั้น พอถึงการเวลาที่จะเปิดนี่เปิดออกมาเนี่โหพุ่งนั่นกับมันกันเวลาท่านอยู่นั้นท่านผไม่ทราบท่านจะพูดกับใครพูดให้ใครฟังก็ไม่มีใครจะสนใจเนี่ยแล้วเชื่ออย่างนั้นเนี่ยพูดที่มุ่งต่ออาตธรรมกับท่านจริงๆนันมันจะมีที่ไหนวะนะถ้ามุ่งต่อแบบที่เราพูดตกีนนี้มันใช่เอ อะไรวันหนึ่งคืนหนึ่ท่านได้บอกหลังไลายพอผ่านอุย้ยสุดเด็ดนะผมเนี่ยก็อย่างนี้เวลายับออกไปอย่างนี้ท่านตอบมานี่ผางเลยเหนไะหมันแสดงว่าท่านรู้ตั้งเมื่อไหร่พูดง่าย น, นั่นจึงเหมือนกับว่าไขา่ก้อนนี่พุ่งนะเจ้าเราไข่ก้อนคือปัญหาใหญ่ปั ก, กออกไปพุ่งพุ่ง สินาทีครั้งแรกจะออกมาอย่างรุนแรงนะพุงพ่งพุง่งพุ่งยับครั้งที่สองนี่โ้โหฟาดใหญ่เลยถดถดถดถดเปียงเปียงเปียงเอาถึงขนาดสี่นนาทีไม่รู้ตัวเลยนะที่ดูสิจากสี่นาทีแล้วก็ไปสี่นนาทีเหมือนไม่รู้เหมือนไม่รู้ตัวหรอกพุงพ่งพุง่ง จบพงนางวฮะท่านเห็นธรรมหายเห็นว่าผมผิดที่ผมพูดนี้ไม่ถูกที่ตรงไห น, นเอาค้านมานะว่างี่เลยนะเอาค้านมานะบอกแล้วก็ตอบแล้วก็ผมไม่ค้านแต่ผมหาธรรมะประเภทนี้เองระวัง่านเลยรู้สึกว่าท่านได้เปิดเต็มที่ใน ว, วันนั้นยิ่ยงแย่แจงใส ดูอาการอากาศพิยางท่านนี่ยใหม่สง่าผ่าเผยยอก ม, มากทีเดียววันนั้นนะท่านได้เปิดธรรมมาออกมาอย่างเต็มที่เต็มฐานในหัวใจท่านปุ่ายัางไงก็เหมือนกับว่าน้าที่ถังบรรจุว่ในถังเต็มๆไม่สมควรที่จะนําออกไปใช้ไปช้าไปล้างอะไรคือมันไม่สมควรกับน้ำบัรนี้ปุ่นยังไงนะพอถึงเวล า, าที่ท่านเปิดที่ถึงเดียเด๋ยวท่นออกอย่างนั้นถาม ออกเป็นรายชื่อเลยนะอาจารย์นั้นล่ะได้คุยกันแล้วอย่างนั่งฟังดูหุ่นง่ายคือความหมายปัญหาอันนี้น่ะอาจารย์นั้นได้คุยกันแล้วอย่างอาจารย์นั้นล่ะได้คุยกันแล้วอย่างอาจารย์นั้นล่ะได้คุยกันแล้วอย่างเลยนะนั่งฟังสิปัญหาอันนี้ไปคุยกันแล้วอย่างปัญหานี่ได้ไปทดทนากันแล้วอย่างเนี่ยปัญหาเครื่องทดสอบหามูลความจริงของตรรกัน คุยังไงเขาจะไปหาในไปวพิดุษสาธุพูดมาในประมานนะจะไปหาเห็นยังไงเจ อ, อยังไงอือ ม, มันเป็นก็ในหัวใจจากความจริงนี่ ม, นมันไม่ไม่ได้มีในความจําพระไกรวิดุกจํามานี่นะความจํามานี่สิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นขึ้นจากการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั่นเป็นความจริงนะแต่นี้อย่างที่ว่านี่ ไม่เห็นนี่นะกระดูปผมก็เรียนเนี่พุทธคผมไม่เห็นนี่ผมก็ยอมรับว่าไม่เห็นเฮะแล้วทําไมจิ่นหลวงปู่แวนเวลานี่สายเตี้ยงเขาไปหาท่านปัญหาท่านาท่านทำไมตอบถางมาเลยนั่นตั้งซิฮะท่านจะไปหาดูพระไกรไปดูตรงไหนล่ะท่านทำไมตอบผางมาอย่างรวเดเร็วที่สุดเลยพอท่านนี่ถามปกุกคํำภาพบุกออกลระกุ่งมาแล้วนั่น นั่นความจริงกับความจริงมันเข้าถึงต่างถึงเดียวเท่านั้นเองโอ้ยใส่ผางผังอี่ความจริงธรรมะเป็นมาในความจริงที่ที่เป็นความจริงที่รู้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายรู้จากภาพความจริงของตนของตนมากขนาดไหนนะ่ะอึฮึโบรดีเจ้าคัาน แสดงทำสอนโลกเพียงแปดหมื่นสี่พันประทำมขันเท่านั้นมันจะไปพอกับโลกได้อย่างไรนี่ท่านกล่าวไว้พอประมาณเท่านั้นแเรามัท่ทําหนินะผู้ที่จดจารลึกหนาะก็ก่ามาพอประมาณท่านแสดงมาไว้เอาหลักใหญ่มาไว้ผู้หนังงานผู้ไปจดจารลึกก็เอาหลักใหญ่ออกมาถ้าจะเอาทุกเงี่ยทุกมุมมันก็เหลือเฟือเกินไปจะไม่ทันกับเหตุกับผลกับการเวลาเวลาผู้หนังงานเขว่างนั้นแนหะ ท่านเป็นจุดใจลึกออกมาพอประมาณแปดหมื่นคำสำคัญนี้สมควรแล้วที่จะมาสั่งสอนเป็นพุทธศาสนาสั่งสอนโลกได้ผู้พูดพูดง่ายว่าอย่างนั้นนะอืมไม่ใช่ว่าผู้ประจวบใจลึกท่านอั้นตู้ท่านมันมีความคิดปัญญาที่จะเอามามากกว่านี้ได้ไม่ได้หมายอย่างนั้นนะผู้ที่ประจวบ์จลึกท่านก็ฉลาดพอท่า น, นท่านเอาจุดจุดที่สําคัญสำคัญออกมาให้เหมาะกับ ผ้าปฏิบัติหมาะกับการต่างๆด้วยท่นี้ออกแค่นั้นแล้วมอบให้ผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองเนี่ ย, เ, ยเมื่อได้หลักใหญ่ออกมานี่เปรียบเหมือนกับว่าได้กุญแจมาแล้วเปิดไปเถอะเปิดกุญแจเนี่ยเปิดเข้าหาความจริงกุญแจคือความจํานี่แหละเป็นกุญแจที่จะเปิดเข้าหาความจริงขอให้ปฏิบัติถนัดว่าคุ้นง่ายเอาภ้าขออนุญาตที่เรียนมาเนี่ยปฏิบัติก็ เ, เท่าเขาได้เปิดกุญแจเขาเปิดกุญแจโดยระดับธนรานแล้วนั่น อทีนี้เมื่อมีกุญแจแล้วก็เปิดเข้าไปก็ถึงความจริงความจริงสิเป็นยังไงรู้หมดควาหมายว่าอย่างนี้คุณพูดมันต้าเป็นปนะผมนี่ มานั่งกัาให้ท่านสักครนกับ้างและมันเรื่องมันไปสัมผัสนี่ยท่านสักคอนมากี่มูลนิธิพอดีผมไปมูลนิธิพอดีวะนั่นท่านสาคอก็มาเลยพูดทุกเรื่องวัดท่านสักครก็ไปเห็นนั่นแหละที่ทองฟ้าโพมาน่่ะผมไปโอ้สถานที่นี่เหมาะดีนะดูแล้วเหมาะดี สงบสงัดเพราะไม่มีอะไรเนี่ยเป็นป่าอยู่อยู่หน้าเขาเลยเขาเป็นตัดัดดน้นเ น, นี่แต่กอไผ่อะ เ, เป็นทำเลที่เหมาะมากหรอกการประกอบความภาคเปลี่ยนแต่สำคัญที่ไปเที่ยวทั้งวัดหาทางยงกรมสักเส้นหนึ่งพอเห็นรอยของพระเดินยงกรมไม่มีนี่นาแล้วก็ว่างแั้เน่พูดอยู่น่น โมนิธิหลวงปู่มันแล้วก็ท่านภูท่านทูลก็อยู่นั่นด้วยวันนั้นแล้วท่านทูลนี่มายังไงวะมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ไม่ทราบวันวันนี้นี่เอะเวลาไหนได้มีแต่ได้ยินแต่ท่านมาอยู่อุ่เทพมาอยู่อุ่เทพท่านจะมาตั้งกฎอยู่ในตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองหรือเวลานี่นะก็ว่างันเลยเราก็ดีอืเดี๋ยวนี้กรรมฐานสาย ทางสายอุปมั่นนี่กําลังจะมาเป็นอย่างนี้แล้วนะว่ะผมนะทุเรศแล้ว่ยังไงวะว่างั่นเนี่ยก็มาฐานที่มหากินรุงเทพนั่นเนี่ ย, มาามาานนยไม่ได้หาอาถรรพ์ทำนาว่ะเราไปพูดบ้างนงู่มนิทีนี่แต่ยังไม่เผด็จรรท์ทะลรงนักนะต่อไปหากมันจะเป็นอย่อย่างนี้เรื่อยแล้วดีไม่ดีเราจะแต่งอะไรไ ป, ปรเขียนติดประกาศไว้นั่นเลยให้ผ้านเนินตลาดได้ทราบสถานที่นี้มาจากอะไร เป็นสฐานที่เช่นไหลใครเป็นเจ้าของจึงมาเห็นเนผ่าพอย่างนี้ผ่านเอ็นโดยไม่ผานเห็นกมเป็นไม่ได้ น, นะนี่นะหนักมันจะได้ออกวันใดวันหนึ่งเนี่ยผมไปดูมันแต่แปลกตาอยู่เนี่ยก็ฟังมาเรื่อยๆผมไม่เคยแสดงตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าท่างหลายจริงผมคิดว่าแต่ทราบเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต่าในร้อยเปอร์เซ็นตว่าวัดป่าวันตานี้เป็นเจ้าของของมูนิธินั้น นั่นแต่ไม่ทราบส่วนประชาชนจะมีทางสร้างมากกว่ า, ออ า, าถ้ะเรามาสร้างพระองค์ไหนก็มานก็มาเห็นว่าที่นั่นสะดวกสบายก็มาแล้วหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนี่พระก็มาฐานไปดูเราไปทีไรเราดูเป็นพระป่วยไม่ป่วยก็ดูดูพระป่วยก็มีบางเรื่องน้อยที่ไม่ป่วยแล้วมีมากต่อมากนั่นแต่เราก็ยังไม่พูดนะคิดดูที่นานขนาดไหนเราไปดูเรื่อยๆ พราะเราไม่เคยแสดงไปดูไปดูแล้วมาก็ดูไปที่ใดก็ไปดูที่นั่นแต่ไม่มากไป ด, ดูไปแล้วก็ปับป๊บปั๊บปั๊บเข้า ข, ขานี้ออกของนี้เข้ามาแล้วก็มานั่งพูดแล้วหมาไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงตอนไงคราวนี้เจะพูดซะบ้างเล็ ก, ลกน้อยอสถานที่นี้คุณวันดีที่สร้างเสร็จแล้วนะถวายเราที่เราไม่จะไ ม, เะไม่เราจะไม่ลาบเรา เพรเราไม่ร่ำยินที่ไหนเมื่อตนั้นแสดงเหตุผลมามีเหตุผลเพียงพอแล้วเลยเราจำยอมรับล้วก็บอกเพื่อให้เอสถานที่นี้เป็นสมบัติเป็เจ้าของแต่คนประโยชน์อะไรๆเราก็มอบให้ทำมือที่ทําเดิมเราไม่มาเกี่ย ว, วบอกเพื่อทําให้เป็นประโยชน์แก่ฝ้าเหนือทั้งหลายที่มาอาศัยอีู่ที่นี่เพื่อการการักษาพยาบาลตัวเองออวางเงิ น, นยับยั้จเพียงเท่านี้ยังไม่มากนะ ให้พลาดเน้นตั้งแตไหนจะทราบว่าว่านตามันตาเป็นเจ้าของสรือจะมาเป็นเป็ดมันพ่านโดยไม่รู้เรื่องด้วยตัวไม่ได้ความหมายว่าอย่างนั้นเองะอืต่อไปถ้าหาว่ามันมันเป็นหนักเข้าไปนี่ต่อไปนี่เราจะไปติดประกาศชื่อของเราใส่เปี๊ยงไปตรงนั้นว่างไรจะมีข้อมีกฎมีข้อบังคับข้อในนั้นผางผังผังผั ง, ผงนนั้นติดประกาศไปในนั้นหรือว่างไร ก็เราทําได้นี่ยเราเป็นเจ้าของทําเพื่อความถูกต้องนีงามในวงธรรมวงหนสําหรับท่านเนียทั้งหลายเนี่ยทำไมจะทําไม่ได้ไหวอืมแต่บางทีั้งสี่สิบกมีผ้าป่วยอะไรไปถึงสนะี่สิบห้าสิบนักนั่นทค่มันน่าคิดหนิไปดูไปดูแล้วไม่ค่อยป่วยมันมาแบบนั้นแหละแบบนั้นแบบนั้นเลยอย่างว่ายเพราะงั้นมานั้นถึงว่ายต้นทุนทุกบ้าง ไอ้อาที่เห็นท่านมาอยู่ที่นี่มาอยู่กรุงเทพมาอยู่กรุงเทพเวลาไหนก็เห็นท่มาอยู่กรุงเทพเนี่ ย, ย, ยไ่ใช่จะมามชมาปรากวดอยู่ที่ตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองเหลือไม่ใช่เป็นกรรมฐานเทศบาลเทศบาลสองเหลือนี่นะระว่างมันน่นนลยไม่ทางไม่กล้าพูดไม่กล้าตอบว่างไงกับเราก็าเราพูดด้วยเจตนาหวังดีนี่นะเราไม่ได้พูดเพื่อความเสื่อมเสียที่ตรงไหนนี่พูดให้รู้สุดตัวต่างห่างนี่ไม่ได้เสียหายอะไรในคำอุ่นหลอ เพราะฉะนั้นการตอบมาที่ไม่เข้าชาระมันยิ่งจะเสียหายมากที่สุดประกาศความชัวช่วช้าของหมงตัวเองเที่ท่านก็ไม่ได้ตอบฟังมันทำให้เราวิกตกนะเราทำเจตนาทั้งปุดต์ปุตตางทั้งปุตท่งเราที่รับไว้ก็เจตนาอันเดียวกัน เอเป็นประโยชน์แก่พระที่ ม, มาโนบเบิมจะเป็นทําเลมลักษณะอะไรก ล, ลายเป็นเรื่องส่องศูนย์บริตัวนั่นจที่มันได้ระวังอยู่ทุกด้านนั่นแหละให้ได้นะอย่ามากเก่งๆก้งกางๆขวางตาขวางวัดนะไปไหนบึกสอบไปไหนมั่ ก็ยิงหยาบัน